รัธรรมเทศนาแผ่นที่51ดลำดับที่17โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดปานาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่เจพฤษภาคม2556มีชื่อเรื่องว่าขาดทุนหรือได้กำไรวันนี้เป็นวันที่เจ็ด พฤษภาคมพุทธศักราช2556เดือนนี้เป็นเดือนพฤษภาคมเป็นเดือนถ้าส่วนราชการก็มีวันหยุดเยอะแล้วก็วันสำคัญในทางพระพุทธศาสนาก็คือวันเดือนหกเพนคือเดือนนี้ที่เป็นวันวิสาขบูชา เป็นวันสำคัญยิ่งในทางพระพุทธศาสนาปฏิสูตตัตโธปรินิพานสามการคือวันเดียวกันคือวันเดือนหกเพนแต่วันนี้เป็นวันที่เจ็ดที่พวกนักศึกษาที่เข้ามาบวชเจ็ดสถาบันก เข้ามาป่าเข้ามานานพอสมควรเป็นวันที่18พฤษภาคมเป็นวันครบกำหนดการกล่าวลาสิขาตามที่ได้ตกลงกันไว้แต่ว่าถึงอย่างไรก่อนที่จะถึงวันนั้นให้พวกเราทบทวนดูในการบวชของเราในครั้งนี้เราขาดทุนกำไรอะไรบ้าง ขาดทุนคืออะไรกำไรนันคืออะไรถ้าเราไม่รู้จักขาดทุนกำไรก็แสดงว่ามันเราก็ไม่รู้จะหาทามาค้าขายยังไงแต่ถ้าว่าเรารู้จักว่าขาดทุนคาว่าขาดทุนคำนี้เราเข้ามาบวชในครั้งนี้เสียสละเป็นเวลาหนึ่งเดือนกว่าๆที่เข้ามาฝึกหัดดัดนิสัย อยู่ในหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าอยู่ในหลักพระธรรมวินัยอยู่กับวัดว่าศาสนาเป็นนักพจนักบวชรักษาศีล227ตามพระธรรมคำสอนของพระพุท ธ, จ ธ, าาธเนนธธทธจา้าตั้งแต่วันย่างเข้ามาสู่วัดป่านาคำน้อยแห่งนี้ตั้งแต่เริ่มต้น ตั้งแต่ก่อนที่เราจะเข้าโครงการอุปสมบทเรามีความตั้งใจอย่างไรเรามีความรู้สึกอย่างไรเรามีความพยายามอย่างไรก่อนหน้านี้พวกเราได้ศึกษาในหลักธรรมคําสอนของพระพุทธศาสนาพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าอย่างไรพวกเราจึงได้ตกลงปรงใจว่าจะบวช ในคราวนี้หลวงพ่อเองก็หวังว่าพวกท่านทั้งหลายคงได้คิดพอสมควรเพราะเป็นการบวชไม่ใช่ว่าจะทำได้ง่ายๆเป็นเป็นการหักเหของชีวิตพอสมควรโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้เป็นผู้บอกกล่าวหรือว่าผู้ที่แนะนำ เขาคงจะเคยเห็นวัดป่ามาก่อนหน้านี้แล้วแล้วก็ได้พิมพ์ลงใ น, ในหนังสือคือกฎและเบียบที่อบรมผู้ที่จะบวชควรทำตนอย่างไรควรปฏิบัติตนอย่างไรต่อสำนักหรือขณะที่บวชอันนี้พวกเราก็ได้อ่านได้ศึกษาเป็นที่เข้าใจกันพอสมควร แต่ว่าเมื่อเข้ามาบวชแล้วบางสิ่งบางอย่างอาจจะเหนือกว่าความคิดแต่บางสิ่งบางอย่างในกติกานั้นไม่จำเป็นเพราะเราไม่ได้ปฏิบัติอย่างที่กติกาที่เป็นไปนั้นเหล่านี้ก็ต้องมีในกฎเพราะไม่มีกฎกติกาหลายข้อแต่ถึงยังไงเมื่อเขาเมื่อเราเข้ามาบวชแล้วทีนี้เรามาช่าง ดูในจิตใจของเราในการคิดในการกระทําในการพูดสรุปแล้วก็คือกายวาจาใจใจคือแนวความคิดวาจาคือคําพูดกายคือการกระทําก็ไม่เหนือเจาะนอกจากนี้ไปยิ่งมีแต่กายวาจาใจเท่านั้นขาดทุนกําไรถ้าเราคิด ปุ่งฟุ้งซ่านไปทางโลกอยู่ตลอดหนักใจตลอดฟุ้งไปทางโลกอยู่ตลอดโดยที่ไม่ได้ศึกษาธรรมะเราคิดดูที่ว่าเราขาดทุนหรือกําไรแต่หลวงพ่อให้คะแนนเลย่าขาดทุนเพราะเราเข้ามาบวชเข้ามาตั้งอกตั้งใจอยู่ในป่าธงพงไพ่ไม่สู่วัดวาศาสนา พร้อมที่จะประกอบคุณงามความดีเข้าสู่จิตใจแต่พวกเราคิดปรุงฟุ้งออกไปข้างนอกจะไม่ว่าขาดทุนได้อย่างไรขาดทุนจ้อยยับถ้าหากว่ากระทาความชั่วเข้าไปอีกขาดทุนซ้สำสองถ้าเราพูดวาจากับหมู่กับเพื่อนกับครูบาอาจารย์กับคู่คนไม่เป็นสัมมาวาจา เป็นมิจฉาวาจาคือวาจาที่ไม่ควรจะพูดก็พูดออกไปอันนั้นเป็นวขาดทุนยอยยับเป็นครั้งที่สามทั้งใจด้วยทั้งกายด้วยทั้งวาจาด้วยเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้ครับวาขาดทุนคำนี้ไม่ใช่ขาดทุนเป็นเงินตัวเงินเป็นเงินเป็นคำรับสมบัติวัตถุภายนอกเป็นการขาดทุนในอริยทรัพย์คือทรัพย์อันประเสริฐ ที่พระพุทธเจ้าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านแนะนําสั่งสอนเอาไว้ทรัพย์ภายในคือทรัพย์อันประเสริฐทรัพย์ภายนอกนั้นเป็นโลกิยทรัพย์โลกิยะทรัพย์พวกเราก็ได้เสียสละออกมาแปลว่าขาดทุนแล้วเราไม่ได้ทํามาหาเลี้ยงชีพเราไม่ได้ทํามาค้าขายในจุดนั้นแปลว่าขาดไปแล้วเป็นช่วงว่างช่วงหนึ่งประมาณเดือนกว่าๆแต่ถึงอย่างไงบางทีอาจจะเป็นข้าราชการมาบวช แต่เขาอาจจะให้เงินเดือนไว้อยู่อันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ว่าถ้าเราไม่ได้หาทรัพย์สมบัติอันนั้นแปลว่าทางโลกเขาก็ว่าขาดทุนแต่ถ้าว่าเราคิดไม่ดีทำไม่ดีพูดไม่ดีขาดทุนในอริยทรัพย์คือทรัพย์อันประเสริฐ ในหลักของพระพุทธศาสนาเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านที่เข้ามาบวชในครั้งนี้ให้ทบทวนให้ดูเราควรจะทำสิ่งไหนให้ดีขึ้นเราควรจะปฏิบัติตนยังไงให้ดีขึ้นพวกเราควรจะกล่าววาจาอย่างไงให้ดีขึ้นกล่าววาจาให้ดีขึ้นกันเนี่นนะพยายามสวดมวนต์ไหว้พระ ารหาหังสวาขาโตสุปฏิปัโนโ น, นโมพุทธัทงธรรมังสังขังพยายามกล่าวไหวให้มากบริกรรมไม่อยู่ในใจเสมอพูดวาจาออกมาลำเลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อันนี้แปลว่าวาจาชอบแบบสุดโตง่งสุดอีกข้างหนึ่งแต่ถ้าวาจาอีกอย่างอื่นต่อไปกับสัมมาวาจาการพูดการกล่าวไปในทางที่ เป็นสัมมาทิฏฐิไม่ใช่มิจฉาทิฏฐิวาจาและการกระทาก็เช่นเดียวกันเราก็พยายามทำ อ, อ, อยู่ในหลักพัธทธรรมวินัยตามแนวแถวที่พัธทธรรมวินัยท่านบัญญัติไว้หรือว่ า, าได้ยินท่ารทำคำสอนของครูบาอาจารย์ตัดแนะนำให้ปฏิบัติตนอย่างไรหรือแนวความคิดแนวความคิดยังไงเป็น มิจฉาทิฏฐิแนวความคิดจังไงเป็นสัมมาทิฏฐิสิ่งเหล่านี้เราก็พยายามทําตามที่ว่าเป็นสัมมาทิฏฐิให้มากเพราะว่าเราผ่านโลกเราคิดเรื่อยเปื่ยมาแล้วเป็นเวลากี่ปีถ้าเราพวกเราออกจากที่นี่ไปเราก็คงจะหาโอกาสอย่างนี้ไม่ได้เราก็คงจะเรื่อยเปื่ยไปอีก นานเท่านานเพราะฉะนั้นในช่วงที่เรามาอยู่อย่างจุดนี้เราต้องบังคับจิตบังคับใจของเราบังคับให้เราอยู่ในกรอบของศีลสมาธิปัญญาตามแนวแถวที่พระพุทธเจ้าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านวางเอาไว้นั่นละ่ะพวกเราจะมองเห็นผลกําไรในการบวชในคราวนี้ถ้าพวกเราไม่ได้คิดไม่ได้ทําอย่างที่หลวงพ่อพูด พวกเรามีมีโอกาสที่จะขาดทุนย่อยยับพวดเข้ามาก็สึกออกไปมีแต่ใบไม้แห้งเต็มมือไม่ได้ประโยชน์อะไรแต่ถ้าหากว่าพวกเราเข้ามาบวชแล้วต้องอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติตามนะแนวแถวที่พระธรรมคำสอนแนะนำบอกกล่าวพวกท่านทั้งหลายก็ถึงจะออกไปข้างนอกก็ถือเพชรเนินกินดาวออกไปด้วยเต็มกำมืออีกเหมือนกัน จากนั้นเราก็จะได้นำมาประพฤติปฏิบัติตลอดชีวิตของพวกเราการดำเนินชีวิตของพวกเราก็จะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยราบรื่นเพราะได้หลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาเป็นแนวทางเป็นสัมมาทิฐิอยู่ในจิตในใจการกระทำออกไปก็เป็นกรรมันตะการงานชอบวายามะ <c oughs> สติศินสมาธิปัญญาอยู่ในตัวของเราล้วนแล้วจะเป็นประโยชน์เป็นค า, ารวาสกับเป็นค า, ารวาสที่มีคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมที่ดีดนั้นขอให้พวกลูกหลานพระทั้งหลายที่เข้ามาบวชในคราวนี้หลวงพ่อเองไม่อยากจะให้ขาดทุนย่อยยับในการเข้ามาบวชเพราะเข้ามาสู่วัดวาศาสนามาสู่สำนักของหลวงพ่อ หลวงพ่อเองพยายามพูดทั้งเช้าทั้งเย็นทั้งเรื่องอะไรที่จะให้ลูกหลานได้เรียนรู้ได้ศึกษาในหลักธรรมคำสอนโดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งเรื่องศีลธรรมเรื่องศีลห้ามีคุณค่ามีประโยชน์อย่างไรอย่างเมื่อเช้านี่หลวงพ่อก็ได้พูดให้ฟังเรื่องศีลธรรมจริยธรรมเรื่องการเกิดการตายเป็นยังไงการเกิดเป็นยังไงการตาย เป็นยังไงวิญญาณออกไปยังไงความรู้สึกนึกคิดของคนเป็นยังไงร่างกายเป็นยังไงจิตใจเป็นยังไงสิ่งเหล่านี้หลวงพ่อพยายามชี้แจงชี้ให้พวกเราได้ฟังได้ศึกษาถ้าหากว่าพวกลูกหลานไฟในการศึกษาพวกลูกหลานก็คงจะรู้แนวทางว่าหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านชี้จุดตรงไหนอย่างไรให้พวกเราได้ศึกษาชี้ให้ดู ถ้าว่าพวกเราเนี่ยไม่ได้ใส่ใจไม่ได้สนใจกะเผอๆจะลำคาญอีกต่างหากแต่ตามไม่จริงหลวงพ่อเองก่อนที่จะพูดให้ลูกหลานได้ฟังหลวงพ่อก็ต้องคิดอีกเหมือนกันไม่ใช่ว่าพูดไหลไปตามไฟตามน้ำตามลงเฉยๆคิดเจ้าก่อนจะค่อยพูดให้ฟังอยากจะให้ลูกหลานเนี่ยได้รู้ในจุดนี้ให้ศึกษาในจุดนี้ให้เชื่อมั่นในจุดนี้จากนั้นพวกเราก็เด็น นำไปกันกรองไตรตรองด้วยเหตุและผลอย่างที่หลวงพ่อพูดมือเช้าหลวงพ่อก็บอกว่าถ้าว่าหลวงพ่อพูดให้ฟังพวกเราก็เชื่อหมดทุกอย่างก็เป็นอันว่าพวกท่านทั้งหลายเป็นคนหัวอ่อนจมูกอ่อนจุงไปที่ไหนก็ได้แต่ถ้าว่าพวกท่านทั้งหลายฟังแล้วเฉยไม่ได้สนใจไม่ได้เข้าหูเลยหูไม่กระดิกเลย แปลว่าไม่เชื่อในจิตในใจอันนั้นกับไม่เกิดประโยชน์อีกเหมือนกันถึงอย่างไงยังไง เ, เหมือนกับน้ำชาเต็มแก้วอย่างนั้นนะมันไม่มีที่จะเข้าอีกมันไม่เชื่อในเมื่อคนไม่เชื่อแล้วจะไฟในการศึกษาจะไยในการเรียนรู้และจะนำมาประพฤติธปฏิบัตินั้นเป็นไปไม่ได้พูดอย่างนั้นได้ เพราะนั้นขอให้พวกเราลูกหลานพระทุกองนะให้เปิดให้ในใจให้พ่องเอาไว้เมื่อได้ยินสิ่งไหนมานำมาคิดกันกลองไตรตรองเหตุและผลจากท่านก็นำมาประพฤติปฏิบัติปรปับปรุงกายวาจาใจของเราถ้าเมื่อเราได้ศึกษาแล้วก็นำมาปฏิบัติหลวงพ่อเองมั่นใจ ว่าทำคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นสว่าขาตธรรมตรัสไว้ชอบแล้วชอบตั้งแต่ครั้งกนันุมาชอบมาเป็นระยะระยะแต่ทําไมมาถึงพวกเราทําไมจึงไม่ชอบแต่ทุกท่านทุกคนเขายอมรับกันทั้งหมดเพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่้งว่าสว่าขาตธรรมของพระพุทธเจ้าตรัสไว้ชอบถ้าเรานํามาคิดนํามาพิจารณาด้วยเหตุผลแล้วยอมรับ ทกอย่างที่ท่านเด็กบอกกล่าวแต่มาถึงพวกเราทำไมมันจึงเข้ากับเราไม่ได้เรามีทิฐิมานะความทนงอวดตัวแข็งกระด้างไปหรือเปล่ามากไปหรือเปล่าสิ่งเหล่านี้อยากจะให้ลูกหลานตรวจตราดูตนเองศึกษาทำคำสอนที่พระพุทธเจ้าพ่อแม่ครูบาอาจารย์วางเอาไว้ แล้วนำมาประพฤติปฏิบัติโดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งเรื่องจิตภาวนาถ้าว่าภาวนาคำเนี้ยถ้าพวกเราตั้งอกตั้งใจจริงเอาจริงเอาจังจิตใจเขาสู่ความสงบเมื่อถึงความสงบใจเขาสู่ความสงบแล้วใจจะฝังลึกในหลักธรรมคำสอนเชื่อมั่นในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเพราะเชื่อในภาคปฏิบัติไม่ใช่เชื่อในการเรียนรู้เฉย แต่อันดับแรกก็เรียนรู้เฉยๆต้องปริยัติก่อนในเมื่อประยัติคือการเรียนรู้แล้วก็ลงมือปฏิบัติในเมื่อลงมือปฏิบัติแล้วผลแห่งการปฏิบัติก็จะเกิดขึ้นเราได้ริมรถในการประพฤติปฏิบัติของเราจิตใจของเราเข้าสู่ความสงบเป็นหนึ่งจิตเป็นสมาธิเมื่อเป็นจิตเป็นสมาธิเท่านั้นหละหลวงพ่อเองมั่นใจว่า ลูกหลานทุกอง์จะเชื่อมั่นในถักหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าจะยกมือท่วมหัวเลยว่าโอ้พระพุทธเจ้าในทําไมฉลาดท่านโค้นควน้าศึกษาได้อย่างไรทำไมท่านจึงให้ทำจิตให้สงบบริกรรมภาวนาอย่างนี้เมื่อจิตใจเขาสู่ความสงบ เ, เป็นหนึ่งแล้วโอ้มันตัดเรื่องภายนอกทุกอย่างได้ดีจริงมีความสงบมีความสุขจริง สมกับที่ทาคำสอนที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่านัตติสันติปรังสุขขังความสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีเราเพียงได้สัมผัสเพียงนิดหน่อยเท่านี้เราก็กเป็นที่พอใจเป็นที่ภาคภูมิใจอย่างมากส่วนอื่นที่พระพุทธเจ้าวางเอาไว้เทศนาว่าการเอาไว้จนตัดกิเลสราคะโทสะโมหะบริสุทธ์บริบูรณ์จิตเป็นอมตะจิตอมตะธรรม ใจของเราเป็นพ้นจากทุกในวัตตาสงสารไม่มาเวียนไหวตายเกิดเป็นอมตะธาตุอมตะธรรมจะขนาดไหนจะยิ่งยวดขนาดไหนจะเลิดประเสริฐขนาดไหนแต่เพียงกิดสงบเพียงแค่นี้เราก็ได้ริมรถว่าทาคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นแนวทางเป็นหนทางเป็นความสุขที่เราได้สัมผัส นี่แหละเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราทุกทุกท่านถ้าว่าจิตใจเข้าสู่ความสงบแล้วพวกเราจะเชื่อมั่นในธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าถอนตัวไม่ขึ้นพูดอย่างนั้นได้เลยเพราะเหตุใดเพราะเราได้สัมผัสเพราะว่าอย่างเ ห, เหมือนกับพวกเราทํามาค้าขายถ้าคนทํามาค้าขายไม่รวยท้าอย่างไงก็ไม่รวยเราจะมีแก่จิตแก่ใจทํามาค้าขายได้ยังไง ถ้าว่าทรมาค้าขายเข้าไปแล้ว เ, เป็นได้เงินมาเป็นกอบเป็นกำมีทุมนมีรอนจากนั้นก็จะซื้ออะไรก็ซื้อได้ตั้งฐานะไดเ้เราก็จะเชื่อมั่นว่าวิธีการทำมาค้าขายแบบนี้เป็นหนทาง อ, าอันนี้ก็เหมือนกันถ้าเราทาจิตใจให้สงบ ทำยังไงจิตใจไม่สงบรเลาะเลยแหละใจไม่เคยสงบเราจะมีความหมั่นขยันในการทำได้ยังไงเพราะนั้นอันดับแรกต้องจริงจังและจริงใจซะก่อนถ้าเมื่อจริงจังและจริงใจแล้วนั่นละ่ะผลแห่งการจริงจังและจริงใจนะั้นจะตามมาเพราะนั้นหลวงพ่อเองจึงบอกให้พวกเราท่านทั้งหลายการนั่งสมาธิอย่าไปนั่งธรรมดาอันดับแรกถ้ามันขี้เกียจ เราต้องมีสัจจะคือความจริงใจตั้งจิตอธิษฐานให้มั่นคงข้าพเจ้าจะนั่งภาวนาจะไม่ให้จิตใจส่งออกไปข้างนอกจะให้ไม่ให้ส่งไปที่อื่นข้าพเจ้าจะนั่งหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงสามชั่วโมงในวันนี้จะนั่งรวดเดียวให้ได้ชักสามชั่วโมงในขณะนี้จากนั้นเราก็ น, นั่งกําหนดเลยจะบริกรรมอะไรตั้งจิตอธิษฐานไม่ให้เป็นเผลอไปทางอื่น พุทโธพุทโธหายใจเข้าพุทหายใจออกโทมีสติสัมปชัญญะในลมหายใจเข้าออกมันจะกระดุกกระดิกยังไให้มันแตกไปมันจะปวดยังไงให้มันปวดไปทดลองหน่อยสิเอาให้จริงจังหน่อยสินี่แหละเมื่อเราทำได้อย่างนี้หลวงพ่อเองมั่นใจว่าลูกหลานคงจะได้สัมผัสจิตใจแห่งความสงบไม่มากก็ น, น้อย แต่ถ้าลูกหลานไม่ได้ตั้งใจอย่างที่หลวงพ่อพูดนะบวชมาคราวนี้อาจจะขาดทุนย่อยยับผลปีก็ได้นะเพราะนั้นให้พวกเราตั้งใจนะบวชมาคราวนี้นะเพราะการบวชเขามานี้คนทั่วประเทศรู้ว่าสถาบันเจ็ดสถาบันบวช ด, ดังกระหึ่มไปทั่วทุกสถาบันมาบวชที่นาคำน้อยพอศึกออกไปแล้วก็ต่างคนต่างบนอุปบขาดทุนย่อยยับ หลวงพ่อไม่อยากจะให้เป็นอย่างนั้นเสียสำนัก ข, ของหลวงพ่ออีต่างหาเพราะนั้นหลวงพ่อมีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจจริงที่จะแนะนำสั่งสอนพาลูกพาหลานให้เข้าสู่ศีลธรรมจริยธรรมที่ดีเป็นคนดีของประเทศชาติต่อไปภายภาคหน้าเป็นทายาทของพระพุทธศาสนาไม่เป็นไม่ใช่เป็นทายาทของหลวงพ่อนะเป็นทายาทของพระพุทธศาสนาเป็นอุบาสกผูดาลงไว ซึ่งพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้านานเท่านานจากนั้นก็จะเด่นแนะนําสั่งสอนลูกหลานของตนเองต่อไปภายภาคหน้าเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนาหลวงพ่อคิดไม่ได้คิดใกล้นะลูกหลานในคิดไกลจึงได้รับพาลูกหลานเข้ามาเพื่อการอบรมถึงจะมีอากาศทร้อนหลวงพ่อก็ได้ลงมาอบรมแนะนําสั่งสอนไม่ได้คิดเรื่องอะไรทั้งหมดอยากจะให้ลูกหลาน อยู่ดีมีสุขแตะตามอัตภาพของนักพลดนักบวชเพราะท่านขอให้ลูกหลานตั้งใจนะะต่อไปนั่งสมาธิเปิด MP3 ฟังนาะทนีนะ